ได้สงสอนให้พุทธบริษัทผู้ ป, ปรารถนาความสิ้นสุดของความทุกข์ผู้ปรารถนาความสุขที่ยั่งยืนถาวรของพระนิพพานให้หยุดการหาความสุขผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ผ่านทางร่างกายให้หันมาหาความสุขจากการเจริญสติจากการรักษาศีลจากการภาวนาจิตตะภาวนาสมถ า, า, าภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่จะ ทำให้ความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจสิ้นสุดลงได้ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันตอนนี้หาความสุขผ่านทางร่างกายซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนร่างกายก็จะต้องค่อยแก่ลงไปตามลำดับ ความสามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ชนิดต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับแล้วพอเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายก็จะเป็นช่วงที่จะไม่ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้เลยช่วงนั้น จิตใจก็จะมีแต่ความเศร้าซ้อยหงอยเหงามีความว้าเหวมีความซึมเศร้าถ้ายังต้องการใช้ความใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้าภชนิดต่างๆอยู่แต่ถ้าได้มาฝึกได้มาเรียนรู้วิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่ง คือความสุขผ่านทางการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถที่ยังจะมีความสุขได้ถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่มากน้อยเพียงไรก็ตามจะเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยเพียงไรก็ตามแม้จะตายไปก็ตามความสุข ที่ได้จากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังจะมีต่อเลี้ยงจิตใจไปอยู่ได้เรื่อยๆตลอดเวลานี่คือความสำคัญของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในการที่จะช่วยให้พวกเราได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจ ให้หมดสิ้นไปและจะสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ยั่งยืนถาวรให้แก่จิตใจต่อไปจึงจำเป็นที่จะต้องมีวันที่จะต้องเข้ามาศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความสงบความสุขแบบยั่งยืนถาวร แล้วก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติศึกษาอย่างเดียวถ้าไม่ได้ปฏิบัติ<ม>ก็ยังไม่เกิดผลขึ้นมาเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารเขาก็เอาเมนูมาให้ดูมีอาหารชนิดต่างๆแต่ถ้าเราดูเมนูเฉยๆเราไม่สั่งอาหารให้เขาทำมาให้เรารับประทาน<ม>การดูเมนูเฉยๆก็ไม่ได้ทำให้ ความหิวในร่างกายหายไปได้ต้องสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูในรายการอาหารเอามารับประทานพอลรับประทานอาหารเข้าไปร่างกายก็จะได้เกิดความอิ่มขึ้นมาฉันใดการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ศึกษาอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเพียงการศึกษาก็เป็นการเรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีแล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องปฏิบัติต้องทำตามคําสอนเราถึงจะได้สัมผัสกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ผลไม่ได้เกิดขึ้นจากการศึกษาแต่การศึกษาก็มีความจำเป็นเพราะถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้จากวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะปฏิบัติแบบผิดๆถูกๆแล้วก็จะไม่ได้รับผลที่ควรจะได้รับจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาก่อน ศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อแล้วปฏิเวทคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่พอปฏิบัติปุ๊บผลทั้งหมดก็จะก่อยขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันหมดเลยอานปฏิบัติก็เป็นขั้นขั้นไปปฏิบัติขั้นศีลแล้วปฏิบัติขั้นสมาธิ แล้วก็ปฏิบัติขั้นปัญญาผลก็จะเกิดเป็นขั้นขั้นผลกเกิดจะขั้นศีลก็จะได้ผลในระดับของศีลขั้นสมาธิก็จะได้ผลของสมาในระดับของสมาธิขกานปัญญาก็จะได้รับผลของระดับขั้นปัญญาไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพาน ต้องเป็นไปเป็นขั้นเป็นตอนแต่าการจะไปเร็วหรือไปช้านี้มีความต่างกันได้บางคนฉลาดชยันอาจจะไปได้อย่างรวดเร็วพร<ม><ม>ะเจ้าบอกบางคนก็เจ็ดวันก็สามารถบรรลุทำขั้นสูงสุดได้บางคนก็ต้องใช้เจ็ดเดือนบางคนก็ใช้เจ็ดปี<ม>ถึงจะสามารถที่จะ บนรลุถึงทาขั้นสูงสุดได้<ม>เพราะอินทรีย์ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันอินทรีย์คืออะไร<ม>ก็คือศรัทธาความเชื่อวิริยะความขยันหมั่นเพียรสติการระลึกรู้สมาธิการตั้งอยู่ในความสงบและปัญญาความฉลาดรอบค้อบ<ม>ของแต่ละคนของ ของแต่ละนักปฏิบัตินี้จะมีไม่เท่ากันจึงมีการบรรลุธรรมไม่เท่ากันมีหลายระดับด้วยกันมีหลายมีหลายหลายเวลาด้วยกันแล้วก็มีความยากมากยากง่ายไม่เท่ากันในบรรดานักปฏิบัติธรรมนี้ พระเจ้าทรงยยกไว้เป็นสี่พวกด้วยกันพวกที่หนึ่งนี้เป็นพวกที่บรรลุเร็วและบรรลุง่ายพวกที่สองเป็นพวกที่บรรลุเร็วแต่บรรลุยากพวกที่สามเป็นพวกที่บรรลุช้าแต่บรรลุง่ายและพวกที่สี่เป็นพวกที่บรรลุช้าและบรรลุยากมีอยู่สี่พวกด้วยกัน เป็นอย่างไรพวกที่หนึ่งนี่เป็นพวกที่บรรลุเร็วเป็นพวกที่บรรลุง่าย <Yeah. S 2> บรรลุเร็วก็คือมีปัญญาที่ฉลาดแหลมคม <Yeah. S 2> สามารถเข้าถึงละหละักธรรมความจริงเจนอริย ส, สัจสีตายลักได้อย่างง่ายไดย้อย่างรวดเร็ว <Yeah. S 2> ที่ปฏิบัติง่ายก็เพราะว่ามีกิเลสน้อย <Yeah. S 2> มี นิวรณ์น้อยมีเครื่องอุปสรรคขวางกั้นน้อยเช่นการม่นฉันทะอแล้วก็ความลังเลสงสัยอแล้วก็ความง่วงเหงาเขานอนความฟุ้งซ่านเป็นต้นคนที่มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในคําสั่งคําสอนจะไม่ค่อยสงสัยลังเลในคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คนที่เคยได้ฝึกขัดมีความเพียรเจริญสติมาอย่างต่อเ น, นื่องก็จะไม่ค่อยมีความฟุ้งซ่านคนที่หมั่นพิจารณาอสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเห็นความทุกข์ของรูปเสียงกลิ่นรส<ม>ก็จะมีการมฉันทาน้อยเป็นต้นมาพูดง่ายๆคนที่มีกิเลสกิเลสบางจะปฏิบัติง่ายกว่าคนที่มีกิเลสนา คนมีกิเลสนานี่จะนั่งสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีก็เจ็บปวดแล้วทนไม่ไหวแล้วแต่ถ้าให้นั่งดูหนังฟังเพลงเป็นชั่วโมงนี่นั่งดูได้เนี่ยว่ากิเลสหนาก็เลยจะทำให้การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไปได้ยากคนที่มีกิเลสน้อยเนี่ยก็จะปฏิบัติได้ง่ายนพวกแรกนี่เป็นพวกที่มีกิเลสน้อยแล้วมีปัญญาที่ฉลาดแหลมคม จึงปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็ว mm hmm. พวกที่สองนี้เป็นพวกที่บรรลุเร็วแต่ปฏิบัติยาก mm hmm. ก็คือเป็นพวกที่มีกิเลสน mm hmm. แต่มีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมเว mm hmm. ลาปฏิบัติยากนั่งสมาธิแต่ละครั้งนี่มันถ้ามันมีเหตุมีอุปสรรคมีอะไรยุ่งยากนั่งแล้วก็ง่วงน้อยบ้างนั่งแล้วก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ mm hmm. นั่งรู้สึกทรมานสงบได้ยาก<ม>เป็นพวกที่มีกิเลสกิเลสนะแต่พอได้ขั้นสมาธิผ่านไปได้แล้วพอเข้าสู่ขั้นปัญญานี่ก็ไปได้เร็วเป็นคนที่มีดวงตาเห็นธรรมได้เร็วเพราะเป็นคนฉลาดรู้สึกรู้จักคิดด้วยเหตุด้วยผลอคนที่คิดด้วยเหตุด้วยผลเป็นนี่จะเข้าใจหลักธรรมได้ง่าย อริยสัจสีนี้ก็เป็นหลักของเหตุผลทุกเกิดจากสมุทัยคือตัณหาความอยากนิโรธการดับทุกเกิดจากการมีความความเพียรในการเจริญสติจเจริญปัญญา<ม>เป็นต้นพวกนี้จะถึงแม้ว่าจะปฏิบัติยากพอผ่านขั้นสมาธิแล้วทีนี้ก็จะเข้าสู่เข้าสู่ขั้นปัญญาก็จะไปเร็ว น, นี่คือพวกที่สองปฏิบัติยากแต่รู้เร็วพวกที่สามนี่เป็นพวกปฏิบัติปฏิบัติช้าแล้วก็แต่ปฏิบัติง่ายมันลุบรรลช้าแตป่ปฏิบัติง่ายคือพวกที่มีกิเลสน้อยเวลานั่งสมาธินี่สามารถเข้าสมาธิได้ง่าย แต่พอมาถึงขั้นปัญญานี้ยปัญญาทึบไม่ฉลาดไม่เข้าใจหลักตั ก, กะหลักของเหตุของผลก็ต้องใช้เวลาศึกษาพิจารณาใข้ควรอยู่เป็นเวลานานพอสมควรถึงจะลงตัวถึงจะเข้าหลักเข้าเกณฑ์ถึงจะเข้าใจหลักของตั ก, กะของเหตุของผลต่างๆ พวกนี้ก็เป็นพวกที่มีกิเลสกิเลสบางแต่ปัญญาทึบได้สมาธิง่ายแต่พอถึงขั้นปัญญาแล้วบรรลุบรบรุช้าใช้เวลานา น, านใช้เวลาวิเคราะห์นานกว่าจะเข้าใจและองได้วางได้ <im itation> พวกสุดท้ายนี้เป็นพวกทั้งปัญญาทึบแล้วกิเลสหนญญาคือปฏิบัติก็ยากบรรลุก็ช้า เวลานั่งสมาธิก็ยากรู้สึกยุ่งยากลําบากกว่าจะทําจิตให้สงบได้นี่แทบเป็นแทบตายบางคนนี่นั่งต้องเป็นนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะจิตจะรวมได้เพราะ ก, กิเลสมันต่อต้านอยู่ตลอดเวลาแล้วพอได้ขั้นสมาธิแล้วพอมาถึงปัญญาขั้นปัญญาขั้นบนรรลุธรรมก็บรรลุใช้รู้ใ ช, ช้เพราะว่า ปัญญาทึอบอีกคิดไม่เป็นคิดในทางตรรกะไม่เป็นไม่รู้ว่าอ น, นิจจังเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าอนัตตาเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์คอยท่ามสอนอยู่บ่อยๆต้องฟังเทศทางธรรมอยู่บ่อยๆถึงจะเกิดปัญญาถึงเกิดความเข้าเข้าใจขึ้นมาได้ <Yeah. S 1> นี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรม ช้าเร็วยากง่ายนี่มีอยู่สี่จำพวกด้วยกันดังั้นเราจะเป็นช่าำพวกไหนก็ตามเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับคนอื่นขอให้รู้ว่าแต่ละคนนี้มีความยากง่ายไม่เท่ากันมีการรู้ได้ช้าเร็วต่างกันพระเจ้าถึงทรงตัดว่าเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรตอนปลายของสติปัฏฐานสูตร ลองสงตัยว่าถ้าปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐานสูตรได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดเ้ื่อขั้นลงลงมาอย่างแน่น อ, อนนี่คือเรื่องของการศึกษาและเรื่องของการปฏิบัติถ้ามีปัญญาทึบนี่ต้องอาศัยการศึกษาให้มากหน่อย ฟังเทศฟังธรรมแต่ละครั้งยังไม่เข้าใจก็ต้องหมั่นฟังมันอยู่เรื่อยๆบางทีทำที่เราฟังอันเดียวกันนี้แหละแต่ฟังครั้งที่สองนี่อาจจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นกว่าครั้งที่หนึ่งก็ได้เพราะเวลาที่เราฟังบางครั้งเราใจก็ไม่ได้ฟังใจได้ยินเสียงแต่ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ธรรมที่เข้ามาก็เลยไม่สามารถเข้าไปในใจได้เข้ามาแต่ เข้ามาแต่หูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปแต่พอคราวต่อมามานั่งฟังใหม่อีกทีเอ๊ะเคยฟังมาก่อนนี่ทําไมไม่ได้ฟังตอนนี้พอได้ฟังตอนนี้อ๋อถึงจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร <Yeah. S 1> นั้นการฟังทำซ้ํำๆบ่อยๆนี่ไม่เป็นไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างใด <Yeah. S 1> มีแต่จะทําให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับน yeah. ตามมนิสงของการฟังธรรมว่าจะได้ฟังธรรมที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วได้ฟังซ้ำอีกอก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับนี่ก็ต้องศึกษาให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วค่อยนำเอาไปปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ถ้าไม่ศึกษาเลยแล้วไปปฏิบัติตามความรู้สึกนึกคิดเช่นนั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่าวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นไงนั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจจินตนาการเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆแล้วก็มโนคิดไปว่าเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นอะไรขึ้นมาอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้คนปฏิบัตินี้เสียสติได้เพราะไม่มีไม่รู้หลักของสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเห็นลายปรากฏขึ้นมาก็คิดไปเลยว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็ไปยึดไปติดไปหลงกับสิ่งที่ตนเองคิดขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้อหลงทางได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูบาอาจารย์หรือมีพระพระธรรมคาสอนเป็นผู้ที่ คอยให้แนะแนวคอยบอกวิธีการที่ถูกต้องจะได้ไม่หลงทางจะได้ปฏิบัติไปได้อย่างถูกต้องจึงจาเป็นที่จะต้องศึกษาก่อนศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องทำอย่างไรบ้างในการหาความสุขจากการปฏิบัติธรรม แทนที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผ่านจากร่างกายที่เป็นของไม่แน่นอนรูปเสียงกลิ่นรสก็ปเป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขก็มีบางทีก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความทุกข์ก็มีการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสจึงไม่ได้หมายความว่าจะได้ความสุขทุกครั้งไป บางครั้งก็ไปเจอรูปเสียงกินรสที่ทําให้ปวดหัวขึ้นมาก็ได้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็ได้บางทีไปเจอรูปเสียงกินรสที่ให้ความสุขก็ได้แต่รูปเสียงกินรสที่ให้ความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงอีกเหมือนกันพอมันเสื่อมไปมันหมดไปมันก็ปล่อยให้ใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายขึ้นมาอีกก็ได้ดังนั้นการหาความสุขจากรูปเสียงกินรสผ่านทางร่างกายนี้ จึงเป็นการหาความสุขที่ไม่ปลอดภัยจากความทุกข์จะต้องเจอกับความทุกข์ในรูปแบบใดในรูปแบบหนึง่งไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนแต่หาความสุขจากการปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นความเป็นการหาความสุขที่ปราศ จ, จากความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติในช่วงแรกแรก เมื่อมีการต่อสู้กันระหว่างทำกับกิเลส<ม>ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามเช่ น, ว, นวันพระนี้จะถือศีลแปดจะงดกินข้าวเย็นแต่กิเลสก็อยากจะกินข้าวเย็นมันก็จะเกิดการต่อสู้กันคนที่ไม่เคยอดข้าวเย็นพอต้องมาอดข้าวเย็นก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานขึ้นมาแต่เป็นความทุกข์แบบที่จะทำนำไปสู่ความสุขเหมือนกับเวลาที่ ไปหาหมอแล้วหมอต้องรักษาด้วยการผ่าตัดก็จะต้องเจ็บแต่เจ็บเพื่อให้มันหายเจ็บหายหายโรคภัยรักโ ล, ก, ลกจากโรคภัไยไข้เจ็บพอหมอผ่าตัดเสร็จพอแผลหายก็กลับมาหายเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องเจอความทุกข์เหมือนกันแต่ทุกข์ในเบื้องต้น เพื่อนาไปสู่ความสุขในบ้านปลายแต่การหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มักจะเป็นความสุขในเบื้องต้นแล้วนําไปสู่ความทุกข์ในในในตอนปลายตอนเวลาที่ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้แล้วอ่านี่คือทำไมเราจรึงต้องมีวันพระ ทำไมเราต้องเข้ามาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ ธ, ธรรมกันมาศึกษาเพื่อให้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแบบที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากการทำใจให้สงบก <sh arp> <ๆ>ารจะทำใจให้สงบได้นี้ท่านก็สอนว่าต้องปฏิบัติสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือให้เราระ ง, งับการหาความสุขผ่านรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการ หากห้ามจิตใจตั้งตั้งข้อห้ามขึ้นมาเรียกว่าเนคขมมะละเว้นจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนคขมมะนี้ก็จะมีอยู่ในศีลในศีลแปดการปฏิบัติเนคขมมะนี้จะอยู่ในศีลแปดศีลแปดนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกก็เป็นการกระทําบาปให้ละเว้นจากการกระทําบาปเพราะทําบาปแล้วจะทําให้ใจทุกข์ ตามมาให้ทายวุ่นวายมีปัญหาต่างๆตามมาเช่นไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้โกหกไม่ให้ดื่มของมึนเมาอันนี้เป็นส่วนของศีลศีลแปดมีอยู่8ดข้อสี่ข้อเป็นเกี่ยวกับเรื่องการไม่ทําบาปแล้วก็อีกสี่ข้อนี้เกี่ยวกับการละเว้นการหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่น ข้อสามก็เป็นอ บ, บรามจาริยาคือไม่เริ่มหลับนอนกับใครไม่เสพสุกกับใครแล้วก็เพิ่มข้อหไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆตามความอยากของใจให้รับประทานให้ดื่มได้เฉพาะเพื่อเลี้ยงดูร่างกายจึงมีเวลาต้องมีขอบมีเขตคือไม่ให้กินหลังเที่ยงวันไปแล้ว หลังเทียงวันก็ห้ามรับประทานอาหารห้ามดื่มเครื่องดื่มต่างๆที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรส น, นี่ก็คือเนคขมมะเนคขมมะแปลว่าการละเว้นการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางกามการออกจากกามเรียกว่าเนคขมมะผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อทําให้จิตสงบนี้ต้องหยุดการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสไว้ชั่วคราวก่อน โดยการมาสมาทานศีลแปดไ ม, ม่กินอาหารเย็นไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วและเครื่องดื่มต่างๆถ้าหิวน้ำก็ดื่มแต่น้ำเปล่าๆไปดีที่สุดเพราะถ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีกลิ่นมีรสมีสีก็ยังเป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มอยู่แล้วก็ให้ละเว้นการหาความสุขจากการ ดูการฟังมหรสพบันเทิงต่างๆรวมไปถึงการไม่เสริมสวยความงามของทางร่างกายนี่ก็คือศีลในขัมมะข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือไม่ให้หลับนอนมากเกินไปให้พักผ่อนและให้ร่างกายได้พักผ่อนเพียงพอก็พอซึ่งปกติคืนละสีห้าชั่วโมงก็พอเพียงสาหรับร่างกาย แต่ถ้านอนอยู่บนเตียงที่มีความสุขเป็นเตียงสมลาญมีผูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนตึ่นขึ้นมาแล้วจะจะไม่ได้นอนต่อจะอยากจะนอนต่อเพราะมันสุขมันสบายก็อาจจะนอนต่ออีกสองสามหรือสี่ชั่วโมงไปก็ได้แทนที่จะพักหลับนอนเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็กลายเป็นเจ็ดปดชั่วโมงไปทำให้สูญเสียเวลามีค่าของการปฏิบัติไป อ น, นี่คือเบื้องต้น ต, ต้องต้องรักษาสินแปดให้เป็นก่อนให้ได้ก่อนถึงจะได้มีเวลามาทำขั้นที่สองก็คือมานั่งสมาธิมาควบคุมจิตใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดความคิดให้ได้ถ้าเราไม่มีเวลาเรามัวแต่ไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเช่นสมมติเราถือเพียงสินห้าสินห้าก็จะไม่ห้ามไม่ให้เรากินข่ากินอาหาร จะกินกี่ครั้งกินกี่มื้อก็ได้จะดูหนังฟังเพลงก็ได้จะนอนกี่ชั่วโมงก็ได้จะร่วมหลับนอนกับแฟนก็ได้ไม่ได้ห้ามเส้นห้าแต่ถ้าไปทํากิจกรรมเหล่านี้เวลาที่จะมาให้กับการปฏิบัติมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการนั่งสมาธิจะไม่มีมเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการมานั่งสมาธิเพื่อทำให้ใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ พรถ้าใจนิ่งใจสงบแล้วจะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองถ้าเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วนี่เราก็จะเลิกหาความสุขทางร่างกายได้ทางรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขทุกครั้งอยากจะไปหาความสุขผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายก็ไปนั่งสมาธิดีกว่า อนังสมาธิจิตสงบก็ได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ยังสามารถหาได้ร่างกายแก่ไม่สามารถไปเที่ยวนอกบ้านได้ก็ยังสามารถอยู่ในบ้านนั่งสมาธิ ท, ทาใจให้เกิดความสุขจากความสงบได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลก็สามารถทําสมาธิได้ทําจิตใจให้นิ่งให้สงบได้ ร่างกายจะตายก็สามารถทำใจให้สงบได้เ<ม>พราะมันไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้สติเพียงอย่างเดียว<ม>ท่านสมาธินี้เราใช้สติยับยั้งความคิดทำใจให้นิ่งให้สงบ<ม>แต่จะเป็นความสงบแบบชั่วคราวสงบในขณะที่เราเข้าสมาธิพอเราออกจากสมาธิมามันก็จะเกิดความคิดต่างๆขึ้นมาได้แล้วความคิดนี้ก็จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ เราต้องไปขั้นที่สองหลังจากที่เราได้ขั้นที่หนึ่งคือขั้นสมาธิแล้วเราก็ต้องไปขั้นปัญญาเ<ม>วลาออกจากสมาธิมาแล้วใจเริ่มทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้พิจารณาว่าทุกข์นี้เกิดจากอะไรก็จะรู้ว่าเกิดจากความอยากต่างๆของเราเนี่เ<ม>อยากไม่เจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้หายแต่มันไม่หายพอไม่หายมันก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาวิธ<ม>ีที่จะทาให้ใจไม่ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วย ก็คือต้องพิจารณาว่าร่างกายเป็นอย่างไรร่างกายเป็นของที่ต้องเจ็บต้องตายหรือไม่ห้ามมันได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าเพราะพิจารณาเห็นว่ามันห้ามมันไม่ได้มันเป็นของเป็นธรรมชาติที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นของที่ต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวไม่เจ็บบ้างถ้าเราไปอยากให้มันไม่เจ็บตลอดเวลาพอมันเจ็บขึ้นมามันก็จะทําให้เราทุกข์ใจ เราไม่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปอยู่กับความเจ็บไปถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาเราก็จะอยู่เฉยๆอยู่กับมันได้ถ้าเราอยู่ไม่ได้เราแสดงว่าเราสมาธิมีกําลังไม่พอเราก็ใช้คําบริกรรมช่วยทําให้จิตนิ่งให้ให้จิตนิ่งให้จิตเฉยได้ด้วยการใช้คําบริกรรมใช้สติเพิ่มบริกรรมไปสักพักจิตก็นิ่งจิตก็ปล่อยวางความเจ็บได้ อันนี้คือขั้นปัญญาขั้นที่จะทำให้ใจไม่ทุกเวลาที่ใจไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ใจไม่ต้องการจะเจอเช่นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายเป็นต้นถ้ารู้จักใช้ปัญญาเวลาเจอความเจ็บความตายนี้ใจจะไม่ทุกใจจะอยู่เฉยๆนิ่งสงบได้โดยไม่หวั่นไหวนี่แหละคือวิธีการที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรา มาฝึกมาซ้อมมาทำให้เป็นกันเหมือนกับการหัดว่ายน้ำว่ายล่วงหน้าก่อนวันหนึ่งเราอาจจะต้องลงเรือไปกลางทะเลแล้วถ้าเกิดเรือมันล่มเนี่ยถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเราก็จะจมแต่ถ้าเราฝึกว่ายน้ำไว้ก่อนว่ายน้ำให้เป็นพอเรือล่มเราก็ไม่เราก็ไม่จมน้ำเราสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้อันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมที่พระเจ้า ท, ทรงสอนคือศีลสมาธิปัญญานี้ เป็นการสอนให้เรารู้จักวิธีทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสามารถหาความสุขได้ถ้าเรายังต้องอาศัยความสุขจากการใช้ร่างกายอยู่ถ้าร่างกายแก่เจ็บตายขึ้นมาเมื่อไหร่เวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจ น, นี่คือเรื่องของการมีวันพระ มีเพื่อให้เรามาฝึกซ้อมวิธีหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือแล้วต่อไปถ้าเราใช้เป็นแล้วเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็อยู่กับมันได้ร่างกายจะจะสุขหรือจะทุกข์เราก็อยู่กับมันได้ เพราะใจไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมืออีกต่อไปใจมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นธรรมังสระนังกระชามิ น, นี่ก็คือเรื่องของปัญญาเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้เวลาที่สำหรับกำหนดไว้ให้กับการแสดงธรรมก็หมดลงก็จะขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพื่อที่จะได้ไปสู่การปฏิบัติธรรมต่อไป ก็คือการนั่งสมาธิการทำใจให้นิ่งให้สงบ <Yeah. S 1> ไม่ให้คิดปรุงแต่งถ้าใจเฮียงคิดปรุงแต่งอยู่ใจจะไม่นิ่งไม่สงบ mm hmm. วิธีิย์ทาให้ใจนิ่งสงบนี้ต้องมีสติการระลึกรู้ให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สู่ความสงบอารมณ์ที่กล่อมใจนี้เราเรียกว่าสมาเรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. มีสี่สิบชนิดด้วยการแบ่งเป็นหลายกลุ่ม กลุ่มที่เรารู้จักกันมากที่สุดเราเรียกว่ากลุมอนุสติอนุสตินี้มีอยู่สิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติเราเลิกถึงพระธรรมคำสอนสังขานุสติเราเลิกถึงพระสงฆ์มรานุสติเราเลิกถึงความตายอานาปนสติเราเลิกถึงลมหายใจครับเข้าออกกายยกตาสติเราเลิกเลืออยู่กับ อ, อาการขึ้นไว้ต่างๆของร่างกายเป็นต้นมีอยู่สิบชนิดด้วยกันเป็นอารมณ์ที่เราควรจะผูกใจไว้เวลาที่เรานั่งสมาธิใจเราจะได้ไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วความคิดต่างๆก็จะค่อยหายไปแล้วใจก็จะนิ่งขึ้นมาตามลาดับพอความคิดต่างๆหยุดคิดปับ๊บใจก็จะนิ่งเต็มที่ใจก็จะเกิดความสุบ ข, ขึ้นมา ท, าทันทีในเวลานั่งสมาธิต้องมีสติและเลืกรู้อยู่กับกรรมฐาน ส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้คำบริกรรมพุโทโธเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกจะดูที่ปลายจมูกก็ได้จะดูที่หน้าท้องก็ได้แต่เมื่อเรารเลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วเราควรจะให้อยู่ที่จุดนั้นจุดเดียวอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะมันจะทำให้ใจไม่นิ่งแต่ในเบื้องต้นสมมติว่าถ้าเรานั่งแล้วยังดูลมไม่ได้ยังบริกรรมพุโทโธไม่ได้ ก็ใช้การระลึกถึงพระธรรมคําสอนไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจบทธรรมคําสอนต่างๆกล่อมใจด้วยการสวดมนต์ไปหรือบางท่านอาจจะนิยมใช้การฟังเทศฟังธรรมก่อนอย่างพวกเราตอนนี้ก็เราก็ฟังธรรมมาครึ่งชั่วโมงแล้วได้ธรรมะกล่อมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านกับเรื่องราวต่างๆพร้อมที่จะนั่งสมาธิต่อไปได้เราก็เลือกเอาแล้วแต่จริตของเราเราชอบแบบไหน ชอบกรรมฐานแบบอื่นก็ใช้ได้บางคนชอบมราณานัสตินึกถึงความตายก็ได้บางคนชอบนึกถึงอาการสามสิบสองอาการใดอาการหนึ่งหรือทั้งสามสิบสองอาการก็ได้แล้วแต่จะถูกจริญของแต่ละคนแต่หลักเกณฑ์ก็คือต้องมีอะไรยึดเหนียวจิตใจกล่อมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบอย่านั่งเฉยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยเพราะถ้าคิดเรื่อยเปื่อยเราจะไม่สงบ เวลานั่งเวลาอยู่กับกรรมฐานเวลาอะไรมาแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจอย่าทิ้งกรรมฐานมีรูปเข้ามามีเสียงเข้ามามีความรู้สึกต่างๆเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับกรรมฐานไปถ้าเราไม่อยู่กับกรรมฐานใจก็จะไม่นิ่งจะไม่สงบจะไม่ได้ผลนี่ก็คือวิธีการของการปฏิบัติโดยสังเกตและต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันตามเวลาที่เหลืออยู่ประมาณทั้งยี่สิบกว่านาทีด้วยกัน ตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจาวิธีนั่งของวันนี้ไว้เข้าต่อไปเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยและจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากแลวถ้านั่งวันนี้ยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกาลังน้อย ให้ฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับจะใช้คำเลยคำพุโทโธไปในใจเรื่อยๆก็ได้หรือจะใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายไปก็ได้แล้วเราจะมีสติเพิ่มมากขึ้นและต่อไปเวลานั่งก็จะสงบได้ง่ายขึ้นได้นานขึ้นแลวต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปิริปุเรนติสากลังเอวเมวาอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเมวะสมิจโตสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อระโสยะทัสสะพิตโยวิวาันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวทานติอายุวโนสุขัง พาลา่าช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้ได้คำตอบเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกถามต้องถามตอนนี้ไม่มีหลังใหม่นะต้องถามหน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook ภอาจารย์สุชาติสามร้อยห้าท่านทาง YouTube ภอาจารย์สุชาติสา7อยิเจท่านทาง u t u b e ดรวีส34ท่านทางวิทยุออนไลน์10บท่านทาง c ั u เฮ o u ์เจท่าน ผู้รับฟังนาคุติหนึ่งร้ิบท่านรวมทั้งหมดเจ็ร้บสท่านครับมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนานาคุติค่ะมีเพื่อนฝากเข้ามาถามว่าคุณแม่ผมเพิ่งเสียไปผมจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่อย่างไรดีครับเพื่อให้คุณแม่ได้รับบุญแน่นอนได้รับมากๆครับ ก็ทำบุญตามที่เราถนัดเราชอบทําบุญกับใครก็ทําบุญกับวัดก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ทําบุญกับสัตว์ก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้แล้วแต่มันก็เป็นบุญเหมือนกันเท่านั้นบุญมากบุญน้อยอยู่ที่เราทํามากทําน้อยทํามากก็จะบุญมากทําน้อยก็บุญน้อยคําถามที่สองค่ะ ผมปฏิบัติธรรมโดยการดูลมหายใจและภาวนาสวดมนต์ไปพร้อมๆกันพอจิตเริ่มสงบมีความรู้สึกจิตสว่างขึ้นมาเหมือนแสงสว่างสักพักเหมือนหลับเข้าพวังไปไม่รู้สึกตัวแก้ไขอาการหลับเข้าพวังยังไงดีครับเพื่อให้การปฏิบัติเจริญก้าวหน้าขึ้นก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้น สติเรายังมีน้อยพอถึงขีดนึงมันก็หมดกาลังเหมือนเติมน้ำมันรถเนี่ยถ้าเติมน้อยมันรถวิ่งก็วิ่งไปได้ไม่ไกลถ้าเติมมากมันก็วิ่งไปได้ไกลสตินี้เป็นเหมือนน้ามันรถถ้าเราจะนั่งสมาธิแล้วไม่หลับไม่ง่วงเราก็ต้องมีสติให้มากขึ้นเติมมันฝึกสติทั้งวันก่อนที่จะมานั่งช่ค่ะจากอินบอ็อกเจ้าค่ะ มีสองคำถามคำถามที่1คุณยายเพิ่งเสียไปค่ะ50ิวันแล้วอยากทราบว่าเรื่องราวชีวิตหลังความตายว่าเป็นยังไงบ้างคะก็แล้วแต่บุญบบาปที่เราทําไว้ถ้าบุญทํามีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะพาไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะไปอยู่ในอบายอบาย4ชนิดด้วยกันไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นน ร, ร ก, เ ป, นกเป็นตน้น คำถามที่สองหลังจากยายตายยายไม่เคยมาหาเลยอยากเจอยายอยากให้ยายมาหาบ้างพอมีวิธีไหนบ้างไหมคะที่จะให้ยายมาหานะคะก็ตามไปสิเจ้าคจากทางเฟซบุ o กเจ้าจากอ่าน่าจากประเทศลาวกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะ พ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาไหว้ผีบรรพระบุรุษส่วนรู้ปฏิบัติธรรมนับถือพระพุทธศาสนาแต่ประมาสพ่อแม่เขาจะเป็นบาปไหมคะขอกราบขอพระคุณเจ้าค่ะก็เขาต้องเป็นไปตามบุญตามบาปที่เขาทาเจ้าค่ะจาก facebook พระอาจารย์ครับภาวนายังไงให้เข้าถึงอัปปนาสมาธิและ เราจะวางอารมอย่างไงครับเวลาปวดขาหนักอารม์บีบคันมากจนนั่งต่อไปไม่ได้ภาวนามานานละแต่ไม่ผ่านอาการปวดขาครับเพราะสติน้อยไปสู้สู้ความอยากไม่ได้อยากให้มันไม่เจ็บไม่ได้ต้องฝึกสติให้มากขึ้นช่วงที่เจ็บก็ต้องขยันบริกรรมพุทโธพุทโธอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งดูความเจ็บอย่าไปสนใจความเจ็บให้อยู่กับคำบริกรรมไป ถ้าอยู่คำมริกรรมได้เดี๋ยวสติมากพอมันก็จะผ่านความเจ็บได้เจ้าค่ะจากทางย t u b e เจ้าค่ะตอนปฏิบัติแล้วมีทั้งสงบและไม่สงบรู้สึกมีอาการวูบลึกลงไปเป็นลำดับบางครั้งจิตหลุดไปเที่ยวแต่พยายามประคองให้รู้อยู่กระทั่งกลับมารู้อยู่ที่กายแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมครับ ก็เหมือนกันนะ่ะคือสติมันไม่ไม่ไม่มีกำลังพอมากพอที่จะควบคุมมันได้พอสติอ่อนมันก็ไปวุบไปไปนัน่นไปนี่พอได้สติมากขึ้นก็ดึงกลับมาได้มันก็เราพยายามฝึกสติให้มากขึ้นให้มีสติตลอดเวลาเวลาที่นั่งยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะมีคนข้างหลังก็อยากจะถามไนงะอ่ะเช่นเข้ามาได้เดี๋ยวเขาจะหยิบหยิบไมโครโฟนให้ อาบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงนะครับขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีคําถามว่าถ้าเราอยากอธิษฐานจิตให้สําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีวิธีการอธิษฐานจิตแบบไหนครับแล้วอยากให้พระอาจารย์แนะนําการอธิษฐานจิตที่ถูกต้องครับแล้วก็คําอธิษฐานกับความอยากมันแตกต่างกันแบบไหนครับอธิษฐานคือความตั้งใจที่จะทํำ งานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่อยากจะไปนิพพานก็ต้องบวชตั้งอธิษฐานว่าพรุ่งนี้จะไปบวชอย่างนี้อธิษฐานแล้วก็ไปบวชพุ่พอถึงพรุ่งนี้เราก็ไปเลยไปวัดไปสมักบวชเลยแล้วก็อยู่เป็นพระปฏิบัติเป็นพระไปก็จะบนรลุธรรมได้ง่ายที่สุดได้เร็วที่สุดเพราะการบวชมันเหมือนกับการขึ้นทางด่วนถ้าขึ้นทางด่วนแล้วไม่มีไฟเขียวไฟแดงไม่มีรถติดมันวิ่งพรวดไปตลอด แต่ถ้าอยู่ข้างใต้ทางด่วนมันเจอสี่แยกไฟแดงเจอรถติดเจอรถเสียรถอะไรต่างๆมันก็ช้าถ้าเราเป็นค า, าราวาเราก็ต้องมีงานทําต้องไปทํางานอย่างอื่นต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เวลาที่จะมาปฏิบัติให้เต็มที่มันก็ไม่ได้เฉั้นถ้าอยากจะไปถึงนี่ผ่านได้เร็วที่สุดภายในชาตินี้ก็ไปบวชเสีย ต, ตั้งจิตอธิษฐานว่าพรุ่งนี้เดือนหน้าหรือกกําหนดเวลาไว้ว่าเราจะไปบวชวันไหนพอถึงเวลาเราก็ไปเลย น้ำมัสการพระอาจารย์กระลึอย่างสูงครับอย่างเราเราก็ตั้งตอนต้นเราก็ตั้งไว้ปีหนึ่งขอปฏิบัติเป็นคารวะาก่อนแล้วพอครบปีเราจะมาค่อยมาดูอีกทีว่าจะไปทางไหนต่อพอครบปีมันก็เห็นทางไปบวช ด, ดีกว่าก็เลยไปบวชเลยครับมีคำถามจาก y o u ยูทู้สค่ะกราบเรียนถามว่าพอนั่งสมาธิจิตสงบร่างกายแขนขาจะหนักเหมือนก้อนหิน เป็นการทำสมาธิที่ถูกวิธีหรือไม่หนูเคยได้ยินมาว่านั่งสมาธิจนตัวแข็งเป็นหินเป็นพิธีที่ผิดแล้วจะแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะไม่ผิดหรอกมันจะเป็นยังไงก็มันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างนั่งสมาธิข้อสำคัญก็คือเราอย่าไปสนใจมันให้เราอยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆแล้ว เ, เดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปเอง ชาค่ะจาก YouTube, ยูทูบยอมถือสินแปดดื่มกาแฟดำได้ไหมคะดื่มทำไมละ่ะอย่าดื่มดีกว่าเพราะยังมีเสพรสรสรสของกาแฟอยู่ดื่มน้ำเปล่าถ้าต้องการน้ำร่างกายต้องการน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดจะได้ไม่ติดกาแฟเดี๋ยวถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟก็จะง่วงขาวจากเฟซบุกเจ้าหาดกระดาเดินถามพระอาจารย์ค่ะ หลังออกจากสมาธิรู้สึกจิตนิ่งๆเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้รู้สึกสุขหรือปิติอันนี้ถือว่าปฏิบัติถูกต้องใหม่เจ้าขาก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นอเบคาก็ได้เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ไม่รู้สึกไม่เดือดร้อนกับอะไรใครพูดใครด่าเราก็รู้สึกเฉยๆอย่างนี้ก็ใช้ได้เจ้าขะจาก Facebook เจ้าขะกราบเรียนถามครับ พูดกับตัวเองคนเดียวแล้วเปลี่ยนใจผิดสินข้อสี่ไหมครับยังไม่ผิดหรอกว่าเราพูดกับตัวเราเองเดี๋ยววันนี้จะไปไปวัดท่านหน่อยเดี๋ยวาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปนู่นแทนดีกว่าอานี้เป็นการความคิดของเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะผิดธรรมก็ได้ถ้าคิดไปทางธรรมก็ต้องไปวัดแต่ถ้าคิดไม่เอาไปเที่ยวดีกว่าอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสเช้ค่ะจากคุณทีคาธนาคํ า, า, าคถาม การทำบุญที่จะพ้นจากความทุกข์คือการหมั่นปฏิบัติธรรมให้ ม, า, มากๆขึ้นอย่างสม่ำเสมอและพิจารณาด้วยปัญญาทุกอย่างเกิดและดับเป็นธรรมดาจนกว่าจะเห็นความเป็นจริงที่เห็นทุกข์ในทุกเรื่องว่าทุกเป็นเฉยๆได้อยู่ได้แบบเฉยๆได้จึงจะบพ้นจากทุกใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นร่างกายตายก็เฉยๆไม่เดือดน้อยไม่ทุกข์กับอะไรสภาวะจากเพจบุกทุกสิ่งล้วนเกิดจากกรรมหากชีวิตเกิดอุบัติเหตุแต่เราลังเลสงสัยว่าเกิดจากความประมาทไม่เชื่อว่าเกิดจากกรรมอย่างนี้เรียกว่ายังมีความลังเลวิจิกิจฉาไหมครับไม่หรอกก็เป็นเรื่องของที่เราวิเคราะห์ไม่ได้ทั้งเองปัญญาเรายังไม่ถึง เจ้าค่ะจากยูทู e จ้าคำถามความสำเร็จทางโลกกับความสำเร็จทางธรรมอย่างไหนมีโอกาสสำเร็จมากกว่ากันเจ้าคา่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทางไหนถ้าเราไปทางธรรมมันก็มีความสำเร็จมากในทางธรรมถ้าเราไปทางโลกมันก็มันก็สำเร็จในทางโลกเราไม่สามารถทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปได้เพราะมันจะขัดกันมันจะขวางกันเจ้าค่ะ จากยูทูบค่ ะ, ะนั่งสมาธิเมื่อชํานาญมากขึ้นสามารถข้ามไปขั้นสุกและอุเบกขาได้เลยไม่จําเป็นไล่เป็นลําดับตามขั้นชาหนึ่งถึงสใช่ไหมครับเ ร, เราข้ามไปเองไม่ได้หรอกมันต้องให้สติพาไปถ้ามีสติดีบางทีนั่งปุ๊บเดียวมันก็เข้าสู่ชาสีอะไรก็ได้ดังนั้นเราอย่าไปข้ามเองเราข้ามไม่ได้เราเข้าชาเองไม่ได้เราต้องให้สติพาไป ก็ อ, อยู่ว่าสติมีมากมีน้อยถ้าสติมีมากมันก็เข้าไปถึงชั้นสได้เร็วถ้ามีน้อยมันอาจจะเป็นขั้นขั้นหยู่ขั้นที่1นึ่สักพักแล้วก็เข้าไปถึงขั้นที่2อะไรไปตามลำดัแต่เราไปข้ามเองไม่ได้มไม่เหมือนเปลี่ยนเกียร์รถเนี่ยนะอาจจะเปลี่ยนเกียร์สองเข้าเกียร์สก็เปลี่ยนเองได้มันเป็นอันนี้เปนเหมือนเปลี่ยนเกียร์ อ, อัโตโ้นะใส่เข้าไปแล้วรถมันก็จะเปลี่ยนของมันเอง จากยูทูบสักค่ะกราบนายมัสการครับอาชีพที่ทำต้องโมดิเวตคนเพื่อการขายการทำยอดการทำแบบนี้ทำให้จิตของทีมมีความหลงแบบนี้เราจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะมันถ้าตับได้แล้วไม่ไปสอนให้เขาทำบาปแล้วกันมันเป็นอาชีพที่คนในโลกต้องทำกันทุกคนก็ต้องมีความขยนันมีความตั้งใจมีความยินดีที่จะทำจะได้สามารถมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว อันนี้ไม่บาปแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องของวิธีทางโลกถ้าทางธรรมก็บอกมันก็เป็นกิเลสความโลภอีกอย่างหนึ่งไม่ควรไปทางนั้นถ้าอยากจะไปทางธรรมก็ต้องไปทางธรรมจากเฟซบุ o กเจ้าค่ะจากคนเดิมค่ะขอถามต่อจากการพูดกับตัวเองแล้วเปลี่ยนไปเป็นการผิดสัจจะไหมคะก็แล้วแต่ว่าเราเราเร า, เราตั้งสัจจะหรือเปล่าถ้าเราตั้งมันก็ผิด ถลอดพรุ่งนี้ต้องไปวัดให้ได้อย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ไปอย่างเงี้ยอันนี้แหละผิดสัจจะแต่ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะแหว้เพียงแต่คิดเปื่อยๆว่าเออพวกนี้ไปวัดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้เป็นการตั้งสัจจะมันก็ยังไม่ผิดอยู่ที่เราอ่ะอยู่ที่เราว่าเราตั้งสัจจะหรือไม่เราต้องรู้เองว่าเราตั้งสัจจะหรือเปล่ายังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะคือการตั้งสัจจะนี่มันเป็นวิธีบังคับเราไง ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะเราก็จะโลเลปุณนี้ไปว่าพอถึงเวลาเพื่อนมาชวนไปเที่ยวไปเที่ยวแทนแต่ถ้าเรามีสัจจะนี่พอถึงเวลามามาว่าเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปเพราะเราตั้งสัจจะไว้นะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาของคนที่ใจยังโลเลอยู่ยังไม่หนักแน่นเลยต้องอาศัยสัจจะเป็นเครื่องช่วยแม้แต่พระพุทธเจ้า ก, ก็ยังต้องใช้สัจจะอธิษฐานเนั่งสมาธิใต้ต้นโพนี่ท่านก็ยังต้องตั้งสัจจะอธิษฐาน กัวว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจเดียจะสู้ไม่ไหวแล้วจะถอยยอมตายเลยเป็นตา ย, ยางไงก็ไม่ลุกจากที่นั่งจนกว่าจะตัดทะลุถ้ายังไม่ตัดทะลุก็จะนั่งต่อไปแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็ไม่ถอยอันนี้เป็นการบังคับให้สู้แต่ถ้าเราไม่ตั้งไว้พอถึงเวาเจอความทุกข์ยากลาบากหน่อยนึ อ, อยากจะเลิกปั๊บมันก็ล้มเหลวไปเลย มีคําถามอยากจะถามเข้ามาได้เลยให้คนเขาถามก่อนก็ได้ส่งไปไปข้างหลังหไปส่งไปไปข้างหลังก่อนะนความว่างในอรูปฌานค่ะกับความว่างในนิพพานต่างกันยังไงคะอมันชายมันชั่วคราวไงแล้วนิพพานมันถาวรอันนั้นต่างกันตรงนั้นแหะค่ะขอบคุณค่ะ คำถามฝากมาทางไลน์เจ้าค่ะขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาค่ะว่าสิ่งที่หนูคิดและทำถูกต้องไหมคือหนูเคยลั่นวาจาว่าจะดูแลอุปถัมภ์แม่ชีท่านหนึ่งให้การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายจะได้ตั้งใจปฏิบัติได้เต็มที่ โดยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะหนูดูแลทุกอย่างเองแต่วันหนึง่งมีเรื่องไม่เข้าใจกันแล้วไม่ชี้เอ่ยปากขอเงินซึ่งจํานวนไม่มากแต่หนูก็ไม่เดือดร้อนกับเงินจํานวนนี้เพียงแต่รู้สึกว่าถ้าให้ไปตามที่ขอเหมือนเราเสียหน้าเหมือนเรายอมให้ไม่ชีสั่งได้จึงปฏิเสธไปแล้วมาคิดทบทวนได้ว่านี่เราเลือกเกาะ ความมีตัวมีตนของเรามากกว่าสัจจะกว่าการรักษาสัจจะซึ่งเป็นสัจจะบารมีสิ่งที่หนูคิดได้ภายหลังนี้ใช่สิ่งที่ถูกต้องไหมคะและจะแก้ไขอย่างไรเพราะว่าเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกว่ามันยากทุกทีกับการขัดใจตัวเองขอบคุณค่ะคือเราต้องคิดก่อนงงงว่าการที่เราจะร่างใจว่าจะช่วยใครทั้งคนตรงนี้ เราต้องคิดถึงอานาคต ว, ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ <Yeah. S 1> เวลาตั้งอะไรมันได้ จ, จะต้องมีท่าไว้มัง่งถ้าเขาดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะสนับสนุนเขาถ้าเขาปฏิบัติได้เท่ก็จะไม่สนับสนุนเข า, า, ขาขอที่สอง ส่วนแม่ชีท่านบอกว่าพอทราบว่าถูกปฏิเสธท่านว่ารแรกๆก็เสียใจและอายแต่พอได้สติก็คิดว่านี่ไงความไม่แน่นอนทำให้คิดถึงคำสอนของหลวงพ่อว่าใจคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนเป็นอนิจจัง ไม่หวังพึ่งใครไม่ขอใครแล้วแต่เขาจะสัตย์ทายดีที่สุดและแม่ชีบอกว่าไม่โกรธหนูเลยที่ปฏิเสธดีเสียอีกที่ได้เข้าใจคําสอนหลวงพ่ออย่างแจ่มแจ้งขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าแม่ชีท่านวางใจถูกเราใช่ไหมเจ้าขาวางใจนะถูกใช่ไหมถูกแนละ้วถ้าจะถ้าแม่ชีไม่ทุกข์ก็ถูกต้องนะถ้าทุกข์หรือเสียใจก็แสดงว่ามีกิเลสอยู่ยังอยากได้อยู่พอไม่ได้ก็เสียใจ มีคำถามอีกไหมมีข้างหลังก็อยากจะถามต่อไม่เลยนั่งเฉยๆเลยมีจาก facebook อีกหนึ่งคำถามจะค่ะว่าคนที่ผิดศัจจะแล้วเราไม่คบด้วยจะผิดไหมคะคือมันก็ไม่คบด้วยก็ไม่ผิดเพราะว่าเราอาจจะกลัวเขาถูกเขาจะหลอกเราก็ได้ถ้าเขาไม่มีสัจจะเขาพูดอย่างเขาก็อาจจะทําีกอย่างนึ่งอย่างนีง้ก็ถ้าเพื่อป้องกันตัวเราเองไม่ให้เสียหาย อย่าคําพูดคําหลอกลว ง, งเขาเราก็อย่าไปคบกับเขาดีกว่าไม่เสียหายตรงไหนเจ้าค่ะจากช่องดรบเจาา้าค่ะก่อนนอนถ้าไม่ชอบการสวดมนต์สามารถนั่งสมาธิได้ใหม่เจ้าค่ะได้นอนสมาธิก็ได้ถ้าอยากจะนอนหลับเร็วๆก็นอนสมาธิไปเดี๋ยวก็หลับแต่ถ้าอยากจะนั่งให้ได้สมาธิก่อนนอนก็ต้องนั่งนั่งแล้วก็จะได้ไม่หลับยังไม่มีคําถามเข้ามาสักค่ะ มีใครอยากจะถามอีกไหมอ่าเชิญอยากสอบถามพระพอาจารย์ค่ะเอ่อทานถ้าเราให้ทานแล้วเรารักษาศีลแล้วเราก็จเจริญภาวนาเอ่อถ้าเราจะดูการปฏิบัติว่ามันได้ผลไหมให้ดูยังไงคะทั้งสามอย่างเลยค่ะมันเหมือนอาหารสามชนิดน่ะทานก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งเอ่อ สีลก็เป็นอาหารในชนิดหนึ่งภาวนาก็เป็นอาหารในชนิดหนึ่งมันให้ผลไม่เหมือนกันทานก็จะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจเวลาเราทำบุญทาทานแล้วอันที่ส์ของบุญที่เราทำจากการให้ทานก็จะทำให้ใจเราไปสวรรค์เวลาที่เราตายไปถ้าเรารักษาศีลมันก็จะทำให้ใจเราไม่วุ่นวายกับการทำบาปเราก็จะไม่ตายไปล้วก็จะไม่ไปเกิดในอบาย ถาเราภาวนาเราก็จะทำใจให้นิ่งให้สงบตายไปใจเราก็จะไปสวรรค์ท mm ่านพรหมหรือไปนิพพานต่อไปมันมีมันมีอันนี้สองต่างกันขอกราบขอบพระคุณค่ะ ม, คมีจากทางเฟซบุ๊กถามเข้ามาว่าทุกข์กับขันห้าภายในใจครับเวลากิเลสราคะเกิดใจจะทุกข์ มากครับเพราะเราเพ่งดูมันสักพักมันดับไปใจก็เป็นปกติจะมีมาเรื่อยครับสติผมยังอ่อนเลยทําให้ใจเราไปยึดกับขันธ์ทําให้เป็นทุกข์ทางใจควรปฏิบัติไปต่อยังไงครับก็ให้มีสติต่อเนื่องสติไม่ก็ต้องพยายามเจริญบ่อยๆแล้วมันจะป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่มันก็ไม่ทารวจรถ้าอยากจะให้ความทุกข์ไม่เกิดขึ้นอย่างทารวจต้องใช้ปัญญา <c oughs> ตองให้ <c oughs> ต้องให้เห็นว่าขันห้าไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะเกิดจะดับก็เราห้ามมันไม่ได้ปล่อยมันไปปล่อยมันอยู่ตามสภาพของมันไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเจ้าค่ะทรัพย์สินจากมิจฉาอาชีวะเวลาเปลี่ยนอาชีพต้องทิง้งทรัพย์สินอันเดิมหรือเปล่าไม่หรอกเอาไปเก็บไว้ได้แล้วเอาไปทําบุญก็ได้ แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะคิดแต่เราไปลบละมันไม่เป็นบาปอาชีพที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมมันแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรทํามันก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้เป็นคนทําบาปเองเช่นขายสุระนี่เราไม่ได้เป็นคนดื่มสุระเราก็ไม่บาปแต่เราไปสนับสนุนคนให้เขาดื่มสุระทานั้นเองเงินทรัพย์ที่ได้มาก็ยังถือว่าเป็นทรัพย์ที่สะอาดอยู่แสดงแต่ว่าคือเป็นทรัพย์ที่ไม่ได้มาจากการทําบาป แต่ก็ไม่ควรจะทำอาชีพเหล่านี้เพราะมันไปช่วยส่งเสริมให้คนอื่นไปทำบาปต่อไปได้จากเฟซบุ๊กจ้าค่ะพระอาจารย์ครับเวลาภาวนาเพ่งดูลมหายใจและเพ่งดูตรงหน้าผากหลับตาแต่เหมือนลืมตาทำไมรู้สึกปวดหน้าผากควรทำยังไงครับื่อาจจะไม่ถูกกับเราก็ได้ใช้คำบริาการพูดโทรแทนก็ได้ลองใช้พูดโทรแทนดู เจ้าค่ะจากทางดรวีเจ้าค่ะมีคนพูดใส่ร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเราเมื่อเรารู้ว่าใครพูดควรไปชี้แจงความจริงเขาหรือควรวางเฉยเจ้าค่ะถ้าไม่มีความจมําเป็นเราไม่ชี้แจงก็ไม่ต้องชี้แจงปล่อยไปเพราะเราไปห้ามคนมากล่าวร้ายเราไม่ได้แล้วเราจะไม่มีเวลาพอที่จะไปคอยไปอธิบายให้คนทุกคนฟังอย่างนั้นแล้วแต่เขาถ้าเขาอยากจะให้เราอธิบายก็เข้ามาถามเราเองก็ได้ถ้าเขาไม่มาถามเราก็ไม่เป็นไรแล้ว ตราบใดที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ทําเสียหายก็เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้าม า, า, าเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมพรอจะใกล้จะปิดประชุมแล้วนะนะเดี๋ยวเสียงวันเทิงมาแนละไล่เสียงธรรมะนะอย่างนั้ท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนํำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเาิู